พึงพากันสั้งใจทำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การนี้เวลานี้เป็นเวลาที่เรามาประชุมกันเพื่อฝึกกายฝึกใจให้สงบกายก็นั่งอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรไม่เคลื่อนไหวอะไร ต่อจากนั้นก็ตั้งสติสัมรวมใจเข้าไปภายในธรรมดาจิตใจคนเรานี่มันจะตั้งมั่นอยู่ได้โดยอาศัยสติสัมปชัญญะเท่านี้แหละควบคุมไว้ถ้าขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วจิตนี้จะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลย มันจะต้องลอยไปตามกระแสของกิเลสตัณหามีาให้สังเกตดูมันจะจริงไหมคำพูดคำนี้สำคัญมากต้องใส่ใจให้ดีผู้ใดใส่ใจํำนี้ได้ผู้นั้นก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ได้ ถ้าว่าไม่ใส่ใจแล้วถือว่าไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเช่นนี้เนะน่ยแม่นจะปฏิบัติทำอย่างอื่นจะทำความดีอย่างอื่นให้เจริญขึ้นไปนั้นไม่มีทางเพราะว่าจิตนี้ถ้าขาดสติสมบัติสัญญาควบคุมแล้วมันจะคิดอ่านการงานที่ถูกที่ควรนั้นไม่ได้ นี่แต่มันคิดลอยไปตามอำนาจของกิเลสป่าประธรรมเท่านั้นแหละซึ่งมันจะไปคิดไปในเรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมาคิดไม่ได้เพราะเหตุ น, นั้นคนที่ขาดสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจนี่จึงมักปรับพลิวไหลไปไม่ตรงต่อศีลต่อธรรมไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับ กแต่เรื่องวุ่นวายขึ้นมาเพราะว่าใจที่ไม่ได้ควบคุมแล้วก็กิเลสมันก็ต้องเป็นเจ้าเป็นใหญ่กิเลสมันก็จูงไปในทางที่ไม่ดีนั่นเองเลยดังนั้นให้ถือเป็นเรื่องสำคัญเราจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจา ทำการงานอะไรเข้าสังคมไหนก็ต้องมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่ไว้เมื่อเราสำรวมตนให้แน่วแน่อย่างนั้นมีเรื่องอะไรที่ควรจะพูดมันก็พูดได้เลยคนไม่สำรวมจิตใจให้แน่วแน่เวลาเข้าสังคมไม่มีเรื่องอะไรจะพูด เรื่องที่ควรจะพูดก็พูดไม่ได้เพราะนึกไม่เห็นใจมันเลื่อนลอยหรือว่าถ้าพูดก็พูดไปแบบไม่เข้ารูปไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเพราะงั้นจิตที่ไม่ได้ควบคุมด้วยสติสมบัติ ญ, ญาณนะมันเหลวไหลไปอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลจะตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของคนเราได้ข้อ อ, ออา้างใส่สติสัมปชัญญะนี่แหละอุปการะไว้คือสติระลึกถึงคุณธรรมนั้นได้อยู่อย่างนี้นะ สมปัญญะมันสามารถวิจารณ์ความดีที่ตนทำมานั้นได้สามารถวิจารณ์รู้ผิดรู้ถูกได้เมื่อมันรู้ได้ทั้งสองอย่างอย่างนี้ทางใดผิดมันก็ไม่ทําไม่พูดนี่มันลึกได้แนละ้วทางใดที่มันถูกมันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นก็จึงค่อยทําค่อยพูด คนมีสติสมบัติะนั่นเป็นอย่างนั้น <c oughs> คนขาดคุณธรรมสองอย่างนี้ทำอะไรพูดอะไรก็มักจะทำไปตามอารมณ์ของ จ, จิตใจสือแล้วแต่ใจมันคิดได้อย่างไรก็ทำไปพูดไปผิดถูกไม่รับรู้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลย อย่าไปปล่อยตนให้เป็นไปตามกระแสะของกิเลสตัณหาอย่างนั้นเราคู้นับถือพระพุทธ ศ, ศาสนาควรฝึกสติสัรมะเชนยะให้มันถี่ทวนลงไปควบคุมจิตเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อควบคุมจิตตั้งมั่นได้แล้วมันคิดเห็นคิดเห็นทางที่มันจะเป็นประโยชน์ ทางที่ไม่เป็นประโยชน์มันก็คิดเห็นได้เป็นอย่างนั้น <c oughs> สมาหิโตยทธาภูตังประชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้แจ้งตามเป็นจริงดังนี้อันนี้เป็นพุทธภาษิต ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ลงพากันเอาไป ปฏิบัติลองดูความจริงเนี่ยมันก็ปฏิบัติกันมาเรื่อยๆ เ, เลยแหละแต่ไม่ทราบว่าผู้ปฏิบัตินะทําใจให้ตั้งมั่นลงไปแล้วแล้วสามารถรู้บาปบุญคุณโทษได้หรือเปล่าเท่าที่ปฏิบัติมาก็ให้พิจารณาตัวเองทุกคนแหละจะให้ผู้อื่นมาพยากรให้นั้นไม่ได้หรอก ทุกคนต้องพยกรตัวเองอนะืมต่ตั้งแต่ตนประพฤติปฏิบัติท ร, ร ม, มาเนี่ยตนมีสติสมปัญญาห้ามจิตใจได้หรือไม่ได้อย่างนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนนั้นจะต้องพิจารณาตัวเองนะให้รู้ให้เข้าใจหรือว่ามัน เผลอไปเป็นบางครั้งบางคราวเช่นอย่างมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมาอย่างนี้นะห้ามจิตได้ไม่โกรธไม่ชุนชียวสกัดจิตไว้ได้กำหนดละอารมณ์เหล่านั้นออกจากจิตใจไปได้เช่นนี้นมีไหมเท่าที่ปฏิบัติทำมาโดยลำดับ หรือว่าเวลากระทบกระทั่งกับเรื่องไม่ดีไม่งานต่างๆมานั้นจิตใจมันว่นไหวไปเลยมันห้ามไม่อยู่ก็ให้รู้ตัวเพราะว่าเมื่อรู้ตัวแล้วก็จะได้ควบคุมตนให้เข้มงวดเข้าไปก่านนั้นถ้าใครไม่สนใจเรื่องอย่างนี้นี่ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติ ผู่าที่ัติมันต้องกล้าวต้องคลาไปเรื่อยๆเอยว่าเมื่อเห็นตนบกพร่องตรงไหนแล้วก็พยายามออพยายามบํารุงจิตใจของตนให้มันสูงขึ้นในเรื่องนั้นน่ะอย่าให้มันตกต่ําไปตามเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆหมดนั่นนะถ้ามันมองไม่เห็นความบกพร่องของตน่ะ มันจะปรับปรุงจิตใจเขาตนให้สูงขึ้นไปได้อย่างไรอ่ะคนเราอ่ะแต่อย่างนั้นอันนี้และมันบกข้่องอันสำคัญเ่ยสำคัญอยู่สาเหตุที่คนเรามันจะละกิเลสหรือความชั่วไม่ได้ก็เพราะมันมองไม่เห็นความชั่วที่ตัวทำที่ตัวยึดถือเอาไว้ในใจนั่นเนี่เนี่ยสำคัญนะ ฉะนั้นได้พากานสำเนียกจิตใจของตนให้ดีให้ทีท่วนอาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละสำคัญนะเมื่ออบรมมากๆเข้าไปแล้วมันก็ทำให้ใจนั้นสงบเป็นสมาธิได้แล้วทำให้ปัญญาบาังเกิดขึ้นหลังจากใจตั้งมั่นลงไปด้วยดีนี่ไม่ใช่ว่าเป็นคุณธรรมอันลึก ซึ่งจนเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ใครๆก็จำเป็นต้องปฏิบัติจะเป็นครือข่ายหรือนักบวชกว็าตามจะอยู่ในบ้านก็าตามอยู่ในวัดก็าตามก็เป็นหน้าที่ทุกคนจะต้องอบรมตรสมติสัมปชัญญะนี้ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเป็นคนเจ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละล่ําไป ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งก็มากาเสียใจไปดีใจไปเศร้าโศกไปออธรรมดาคนที่ขาดสติควบคุมจิตใจแล้วใจมันก็ต้องลอยไปตามกระแสะของกิเลสนั่นๆก็เลยต้องเป็นเจ้าทุกข์มากกว่าเจ้าสุขซะแล้วเพราะในโลกสนิบาตอันนี้นะเราจะไปห้าม ไม่ให้คนเขาสรรเสริญหรือว่าห้ามไม่เขานินทายกโทษตีเทียนอะไรเนี่ยห้ามไม่ได้เลยไม่มีทางห้าม mm hmm. เมื่อเขาพอใจเขาก็สรรเสริญให้เมื่อเขาไม่พอใจเขาก็นินทาให้อันนี้เป็นโลกธรรมดาม mm hmm. ันนี่หน้าที่ของตอนแต่ละคนนะมีหน้าที่จะต้องควบคุมจิตของตอนไว้ให้มั่นคง อย่าได้วันไว้ไปตามคำสรรเสริญ น, นินทาว่าร้ายต่างๆนั้นนี่หน้าที่ของเราแต่ละคนนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราสามารถควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่วันไว้ไปตามเรื่องราวต่างๆดังกล่าวมานั้นก็ย่อมมีความสุขสม่เสมอได้ภายในจิตใจใจก็ย่อมเป็นกลางอยู่ได้ เรื่องไม่ดีอะไรกระทบมาเรารู้แล้วกำหนดละมันไปเลยเหมือนอย่างลมมันพัดต้นไม้ใหญ่ที่มีรากอย่างลึกแข็งแรงเมื่อมันพัดมาเนี่ยต้นไม้นั่นก็ไม่หักไม่โค่นลมมันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปว่าอย่างนั่นก็เพียงแต่โอนเอ็นไปนิดหน่อยคันเมื่อลมหายแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็ตั้งตรงอยู่ตามเดิม อันนี้ท่านใจก็ให้กระทําจิตใจของตนให้เป็นอย่างนั้นค <c oughs> วบคุมจิตใจของตนฝึกจิตเนี่ยให้มันหนักแน่นให้มันฉเฉลียวฉลาดด้วยไม่ใช่หนักแน่นเฉยๆให้มันฉเฉลียวฉลาดให้รู้จักอะไรเป็นอะไร <c oughs> การที่ใจมันจะฉะลาดได้ก็อย่างที่ว่านี่แหละ มันก็มาฝึกจิตให้มันตั้งมั่นลงไปเอให้มันส ง, งบลงไปก่อนไม่เช่นนั้นแล้วความฉลาดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยจะไม่รู้แจ้งในทางผิดทางถูกได้เลยมันจะรู้ได้ยังไงเล่าเพราะเมื่อมีอะไรกระซอกเข้ามาจิตใจหวันไหวไปแล้วอย่างนี้มันจะรู้อะไรได้ล่ะลองคิดดูน น, นัการที่ผู้ที่จะรู้แจ้งใน ทางผิดทางถูกได้ก็เพราะเมื่อมนเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาอะไรนี่มันกำหนดรู้ได้นี่มันกำหนดพิจารณาได้ว่าเรื่องนี้ผิดไม่ถูกไม่ควรยึดถือเอาไว้มันก็รู้เมื่อมันรู้อย่างนั้นมันก็กาหนดละมันก็ไม่ยึดถือเอานี่แหละว่าเรื่องนี้ถูกถ้าทำตามอย่างนี้นี่มันจะเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้ มันก็กําหนดจดจําไว้แล้วก็ลงมือทําไปออตามที่มองเห็นว่ามันถูกต้องนั่นเช่นนี้มันก็เป็นประโยชน์ตอนแล้วผู้อื่นจริงเลยเพราะตนได้กลั่นกรองด้วยปัญญาแล้วโดยเฉพาะภายใน จ, ใจิตใจในการที่บุคคลจะรักษาความสงบไปได้นั้นก็เพราะเหตุว่ารู้จักเลือกอารมณ์อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ มีสติสัมปชัญญะประครับประคองจิตยอยู่เสมอเสมอตามธรมรมดาจิตนี้เมื่อไม่มีเหตุบางกระทบมันก็เป็นปกติเฉยอยู่ได้ <c oughs> มันก็เป็นอย่างนี้ทุกคน <c oughs> ถึงว่าผู้ที่จะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็ตาม เมื่อมันไม่มีเหตุอะไรมากระทบกระทั่งเข้าไปมันก็เฉยไปได้แต่ที่นี่เมื่อหากว่ามีเหตุอะไรกระทบเข้ามาแล้วอย่างนี้นั่นแหละหากว่าขาดสติสมบัญญะการควบคุมจิตขาดความเฉลียวฉลาดแล้วจิตที่มันก็วันไว้ไปตามเรื่องนั้นได้ทันทีเลยอ่ามันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าได้ควบคุมจิตอยู่เป็นปกติอยู่ จเจริญไตรลักษณญาณให้เจมแจ้งอยู่ในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงนะสิ่งใดมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมมีความแปรโฟนแตกลับไปเป็นธรรมดาแต่ความรู้ความเห็นอย่างนี้นะเราต้องบำเพนให้เกิดให้มีขึ้นในใจเสมอเสมอเราต้องจเจริญให้ยิ่งให้ความรู้อันนี้มันยิ่งขึ้นไปเสมอ ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะต้องเห็นคนเป็นคนเห็นสัตว์เป็นสัตว์ไปตามสมมุติของโลกเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วไปอยู่อย่างนั้นจิตก็วนไว้ไปตามสมมุติอยู่อย่างนั้นแหละถ้าว่าได้มาเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้มองเห็นความเกิดขึ้นแห่งตปสังขารทั้งหลาย ทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองมันเกิดขึ้นแล้วก็แพรปพนวแตกดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นสาระแกนสารอยู่ในโลกอันนี้นะบางคนก็อาจจะคิดคานอยู่ในใจว่าอ้าวก็แผน่นดนะินถ้าแผ่นนี้ไม่เห็นนะมัน เป็นอะไรไปอ่ะมันก็อยู่อย่างนี้มาตั้งแต่เกิดมาก็เห็นมาอยู่เนี้ยมันไม่เห็นพังทลายเป็นน้าทะเลไปเลยอ่าบางคนก็อาจจะคิดไปอย่างนี้ก็ได้คานพุทธภาสิตข้อนี้อ่อันสรรพสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นะ บางอย่างก็มีอายุสั้นบางอย่างก็มีอายุยืนยาวนานนี่เราต้องพิจารณาให้มันเห็นเป็นขั้นตอนอย่างนี้ <c oughs> อย่างในแผ่นดินอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทรงแสดงบอกไว้แล้วแหละพอไม่เที่ยงของแผ่นดินเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็อยู่ไปอยู่ไปนี่พอถึง การเวลาที่มันจะหมดอายุของแผ่นดินเนี่ยมันจะมีพระอาทิตย์ขึ้นมาเป็นระยะระยะถึงเจ็ดดวงเริ่มมาดวงที่สองดวงที่สามเป็นระยะระยะกันไปพอถึงดวงที่เจ็ดแล้วก็เกิดไฟไม่โลกเลยนี่แหละไม่แผ่นดินนี่แหละเป็นพัทธุรีไปเลย <c oughs> แล้วตันนี้มันก็ในที่สุดมันก็มาตั้งขึ้นมาอีกเป็นอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าแผ่นดินนี่มันจะเป็นอยู่ยนี่ตลอดไปไม่ใช่นะมันหมดอายุลงเปน็นเหมือนกันแต่ว่ามันมันอาศัยอายุยืนนานอย่างนี้เนละแต่ว่าถ้าเราจะาพี่ณาสวนย่อยแล้วมันไม่ยากลำบากอะไรอนะ่ะ มันก็เกิดมันก็พังกันอยู่เนี่ยแผ่นดินก็ดีไม่ใช่ว่ามันจะนั่นภูเขาสูงสูงฝนตกเซอะไปเซอะไปหน่อยหนึ่งก็พังลงมาอยู่อย่างนั้น <c oughs> ไม่ใช่ว่าภูเขาเนี่ยมันจะสูงอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ใช่แดดเผาเข้าออฝนตกเซอะเข้าไปเหลวก็พังลงมา ใครอยากเห็น้วต้องปีนเขาไปดูก็ได้นนเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันจะไปยั่งยืนอยู่งั้นตลอดไป <c oughs> นี่หนละอายุสังขารของคนและสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะเราก็เห็นกันอยู่ตรงๆแล้วนะถึงแม้จะอายุยืนอยู่ตั้งหมื่นปีก็ไม่พ้นตายพอถึงหมดเขตแล้วก็ต้องตาย ไม่ว่าแสนปีหรืออสงไขปีก็ตามเลยเมื่อมันหมดเขตของมันแล้วมันก็แตกทลายลงอายุของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันกับแผ่นดินนี่แหละ <c oughs> มันไม่มีอะไรนะที่จะให้สัตว์โลกทั้งหลายที่อาศัยอยู่พื้นบีโพั น, นี้ได้ประสบความสุขยั่งยืนตลอดไปไม่มีเลย นี่แหละการเจริญปัญญาเนะ่เราก็ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตส่วนแคบๆนี่แล้วก็ขยายออกไปส่วนกว้างๆออกไปดูเราก็จะได้รู้ชัดเลยว่าไม่มีอะไรยังย่งยืนอยู่ได้เลยต่างแต่ว่าบางอย่างมันก็มีอายุนานหน่อยบางอย่างก็มีอายุสั้นดังกล่าวมาแล้วนั่นเลย ศาตร์โลกก็เหมือนกันนะอย่างพวกมแมลงตัวเล็กๆเช่นยุงนี่นะพวกเขานักวิทยาศาสตร์หรือเขาผู้สังเกตการแล้วมีอายุอยู่เจ็ดวันเท่านั้นแหละมันก็ตายอแต่แล้วมันก็เกิดเร็วศาตร์เหล่านี้นะอย่างนั้นเกิดตายเกิดตายอยู่แค่ น, นั้นแหละเพราะฉะนั้นนะ พระบรมศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นตามเป็นจริงดังกล่าวมานี่แล้วพิจารณาเอาจนวเกิดความสังเวชตลดใจจึงจะได้ผลถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆ เ, เปื่อยไปจิตใจก็เฉยเมยไม่ไม่มีความรู้สึก เปลี่ยนแปลงอะไรในความรู้สึกทางจิตใจเลยอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยได้ผลนะเมื่อพี่ลนาะโดยเหตุโดยปัจจัยโดยอุบายแยบคายดังกล่าวมานั่นแล้วก็ลองมาพิจารณาถามใจตัวเองแล้วว่าการที่มาอาศัยอยู่ในโลกอันนี้นะเป็นยังไงอะ่ะมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์หรือว่ามีทุกข์มากกว่าสุขนี่เมื่อมาคำนวณลงในปัจจุบันนี้แล้วนะ เราจะรู้ได้ได้ได้เลยแล้ ว, ว่ามันมีทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุขเลยการอาศัยอยู่ในโลกอันนี้นะหมายความว่าอาศัยอยู่ทั้งทั ง, ทงร่างกายแนละทางจิตใจใจก็ยึดถือเอาไว้ด้วยความหลงด้วยความอยากอันส่วนร่างกายนี่ก็ถูกแล้วอาศัยปัจจัยทีก็จึงเป็นอยู่ได้ส่วนจิตใจนั่นก็อาศัยอวิชชาตัณหา ทำให้ใจยึดเกาะโลกอันนี้ไว้เมื่อเป็นเช่นนี้นะมันเป็นทุกข์มากกว่าหรือเป็นทุกข์มากกว่ากันเราก็ต้องสอบตัวเองได้ทันทีเลยแหละมันต้องเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขแน่นอนนะเพราะอะไรแล้วก็เพราะว่าความมุ่งหมายของดวงกีดนี่นะมันมุ่งหมายที่จะให้ตอนนั้นมีความสุข สม่ำเสมอตลอดไปไม่อยากพบเลยกับความทุกนี้นี่เป็นความมุ่งหมายของดวงจิตเนี่ยทีนี้แล้วมันก็ไม่ได้สมหวังอย่างที่ความรู้สึกนึกคิดของดวงจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นแหละมันจึงได้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ก็สุขอยู่ในชั่วคราวเท่านั้นแต่มีทุกข์นั้นเป็นเจ้าเรือนอยู่ในชีวิต อันประกอบไปด้วยความหลงนี้เว้นเสียแต่ท่านผู้รู้ทางหลายท่านเจริญสมรมะวิปัสสนาแล้วท่านก็มารู้แจ้งโลกนี้ตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางความยึดความถือเสียไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเพียงแต่ว่าอาศัยอยู่ทั่วคราวทั่วทั่ววิบาั กรรมมันยังไม่หมดเท่านี้อ่ะอาศัยอยู่ไปซั่วเมื่อวิบากกรรมมันหมดลงไปแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปก็ไม่ต้องมาเกิดอาศัยทุกขทนทรมานอยู่ในโลกนี้อีกต่อไป <c oughs> อย่างนั้นท่านผู้รู้แจ้งทั้งหลายดังกล่าวมานั้นท่านเป็นทุกข์แต่กายเท่านั้นแหละแต่ใจท่านไม่เป็นทุกข์ เพราะว่าท่านละความยึดมั่นถือมั่นได้โดยประการทั้งปวงแล้วคือว่าท่านละทั้งสุขท่านละทั้งทุกข์ให้ท่านไม่ยึดถืออะไรเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งเจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดก็ตามคือว่าท่านละความยึดมั่นในอาการ ทั้งหลายดังกล่ามานี้หมดแล้วภายในจิตใจของท่านเพราะฉะนั้นภายในจิตใจของพระอาราหันต์ทั้งหลายท่านยึงไม่เป็นทุกข์ <c oughs> เป็นทุกข์แต่ร่างกายเพราะมันไม่เที่ยงมันแปรปวนไปนั่นนหะเป็นลักษณะแห่งความทุกข์ความยักย้ายผันแปรไปทุดโทมไป อันนั้นเป็นลนยยักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายแต่แล้วจิตของท่านผู้รู้ทั้งหลายที่อาศัยอยู่นั้นในนั้นหากไม่เป็นทุกข์ร่างกายแปรปรวนไปตามสภาพของมันเท่านั้นเองซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ไม่รู้หรือว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างอันนี้น่ยก็ย่อมได้ประสบความทุกข์ทั้งทางกายและทาง จ, จิตใจ ถ้าสิ่งใดรู้แจ้งก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าสิ่งใดไม่รู้แจ้งก็เป็นทุกข์ไปตามสิ่งที่ไม่รู้นั้นเพราะยังยึดถือมันอยู่ อ, อย่างนี้แหละแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะจิตตรงนี้มันก็มาหลงยึดมั่นอยู่ในขันห้านี่แหละว่าเป็นตัวเป็นตนนะเมื่อมันยึดขันห่านี่แล้วอย่างนี้มันก็ ลามไปยึดทิ้งอื่นนอกขันห้านี้ออกไปยึดไว้ด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายยึดไว้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจที่ไร้ล้ำพันต่างๆไม่ใช่วันยึดไว้เ nah. ฉยๆนะยึดไว้ด้วยอาการดังกล่าวมานี้อ่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดอาศัยอยู่ขันห่านี้พิจารณารู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วนั้นเมื่อขันห่านี้วิบวับลง ก็ไม่เสียใจไม่ดีใจกับขันห้านี้อดได้ทนได้อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขันห้าอันนี้เช่นนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถือสิ่งภายนอกที่แวดล้อมตัวเองอยู่นี่แหละไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเลยเพราะฉะนั้นอย่ยงว่าการยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้จึงสำคัญ เป็นหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติธรรมจะพึ่งกำหนดพิจารณาเสมอเสมอพิจารณาไม่ท้อไม่ถอยมันก็เกิดความรู้ยิ่งขึ้นอันนี้นะเป็นผลที่พลอยได้นะถ้าหากว่าไม่มันพิจารณามันก็ไม่รู้ยิ่งเมื่อมันไม่รู้ยิ่งมันก็ไม่คลายความยึดถือมันเป็นอย่างนั้น ถ้ามันรู้ยิ่งรู้แจ้งขึ้นไปเท่าไรมันก็คลายความยึดมัน่นถือมั่นไปเท่านั้นแหละให้เพิ่งพากันเข้าใจโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้ครองเรือนก็าตามเป็นนัก บ, บวชกว็าตามแหละก็ให้ปล่อยวางขันห้า อันประกอบไปด้วยความโลภโกรธหลงนี่ให้ได้คือเมื่อมันความโลภจัดเกิดขึ้นแล้วมันใช้ขันหานี่ไปทำบาปมีปานาธิบาตเป็นต้นดังเคยพูดมาบ่อยๆนั่นแหละเมื่อเรื่องไม่ดีหรือว่าใครทําไม่ดีต่ออ่ามันก็ใช้ขันหานี่สแสดงความโกรธแสดงกิริยาหยาบคายต่อคนอื่น กล่าววาจาทิ่มแทงเสียดสีคนอื่นอืมอย่างนี้แล้วเมื่อมันหลงมันเมาเอความสนุกสนานเพลิดเพลินในโลกขึ้นมามันก็ใช้ขันห้านี้แหละไปดื่มตุลามีไรเครื่องดองของเมาของเสพติดในโทษต่างๆโดยเข้าใจว่าเมื่อได้บริโภคสิ่งเหล่านั้นแล้วจะมีความสุขสนุกสนานนี่มัน ไอความยึดมั่นถือมันในขันห่านี่นะมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ฉะนั้นการแสดงแนะนำตั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายในที่นี้มุ่งหวังที่จะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั่นพยายามปล่อยวางขันห่าอันมอันอันประกอบไปด้วยความโลภโกรธหลงหนาแน่นอยู่ในจิตใจนี่นะให้ได้ เรียว่าเมื่อเมื่อปล่อยวางขันห้านี้ได้ความโลภมันเบาวางลงอย่างนี้นะความโกรธความหลงมันเบาบางลงไปแล้วมันก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่กลามุสาวาดไม่ดื่มสุ ร, ราเมรยัยเครื่องดองของเมาของเสรสิทธิ์ทุกชนิดถ้าผู้ที่วางขันห้านี้ลงได้ยิ่งกว่านั้นถ้าว่าเป็นเคยหัด อย่างนี้ไม่สามารถจะมาบวชได้ก็จะเป็นผู้พยายามรักษาสินอุโบสถเดือนหนึ่งสี่โหนสี่ครั้งอย่างนี้แหละหรือว่ารักษาอุโบสถสินเป็นกาหนดเป็นช่วงๆจะแล้วแต่โอกาสจะอำนวยจะเป็นช่วงเจ็ดวันสิบห้าวันเดือนหนึ่งก็กาหนดเอาอย่างนี้แหละจึงได้เรียกว่าเป็นผู้ พยายามปล่อยวางขันห้าเป็นขั้นขั้นไปแล้วก็จะได้ละกิเลสปวัตธรรมนับแต่อย่างหยาบ ม, มาจนถึงอย่างกลางจนถึงอย่างละเอียดไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับกรับฟังแล้วก็จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อบรมสติสัมปชัญญะให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนให้ได้ด้วยความไม่ประมาทดังแสดงมา